ความจริงสมุดฐานโดยย่อทั้งสิบสามิขาบทพระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วซึ่งเป็นเหตุทำความไม่หลงอนุโลมในหัวข้อหลักธรรมที่เป็นแบบแผนวินยูชนเมื่อจำสมุดฐานนี้ไว้ได้ก็จะไม่หลงในสมุดฐานแลสมุดฐานะศีสะสังเขปจบ